นั่นทำไมเอาไม่ไวันได้จ้ะค่ะทำงานช่วงค่ะอ๋อหยุดได้2วันแล้วก็ลาพอดีเดยววันได้สามวันเจ้าค่ะอืมีงานประจําหรือเปล่าค่ะแต่วัยคนหยุดงานเช้าวันก่อนคนผมเหรอคะไม่มีปัญหาอะไรเรื่องทางโลกทางบ้านไม่มีค่ะไม่ทะเลาะกันกับครอบครัวไม่มีครอบครวค่ะอ๋อ เมงไทยอยจังหวัดอะไรเดสแก้วจ้าค่ะแก้วติดกับกับติดชายแดนนะคะประมาณสีสินาทีถึงชายแดนจ้าค่ะแถวแถวลงสุ้าค่ะแม่ยังมีแต่คนแม่ค่ะพ่อเสียคุพ่อเสียตั้งเกือบ30ปีแล้วมั้งจ้าค่ะยังไม่มีพ่อครัวคนเอ่อคนแม่ไม่มีค่ะหรือว่าตัวลูกคะตัวไม่ละอ๋อหนูเป็นแม่ม่จ้าค่ะ ลูกเป็นได้ไหมลมาตั้งแต่ปี2000กว่2009นะเจ้าค่ะก็พอประมาณแล้วนี่ได้มาอยู่เยอรมันนานแล้ว20ปีแล้วเจ้าค่ะอ้โห20ีอไม่ได้บุญบายอีกแบบปฏคิดว่าคงไม่มีแล้เจ้าค่ะอืมนี้แหล้ประหารของคุณเจ้าก็เคยไปอยู่ร่วกันนะค่ะีลูกหลานอยู่ไปอยู่นั่นไปรู้จักไม่ค่อยโทรกลับไปแอบแฝงมาก เจ้าคะก็เห็นบอกว่าอ่านพระไตรปิฎกอยู่อ่านอ่านพระไตรปิฎกเแล้วรู้จักเจ้าค่ะจะเห็นปฏิกิริยาเขาแปลกๆอยู่เจ้าค่ะเมื่อสองสาวันเขาก็ยังเขียนหนาที่สาวลูกเขาก็เป็นแปลกๆไปเจ้าค่ะเป็นแปลกกันนะเป็นนิ่งการก่อนเอ๊ะทำไมเขาถือพูดมาตั้งนานแล้วค่อนข้างคลึงนะเจ้าค่ะใช่ทำไม ถ้าจะไปไกลขนาดนั้นพวกปกติเขาก็จะิเก่เียดกบบมไม่สบายใช่ไหมอะไรอะไรพวกนั้นเขาก็ไม่แน่ใจคนหน้าอะไรไม่ได้ต <K ans uk> ้องรับคิด ม, มีในโลกค <ฮะ S 2> ่ะอ่าแล้วก็ของคนเนี่ยไม่มีคนเห็นทำไม่ดีไม่มีคนเห็นไม่มีคนเห็นแปลว่าตัวเราไม่เป็นคนต้่นมาจุดนี้ใจเสียสละมาสัตย์พยายามเน้นหนักเข้มขลับภาพปฏิบัติค่<ฮ> ะ, <ฮ>ะไม่ใช่เมื่อผลไม่พ่านพขาเพื่อเจ้าผลไปแล้วยังอยู่นะต้องเชื่อจุดนี้นะพเพจ้าน้ำศีลน้ำธรรมมาสอนคนนะเราเป็นคนเราต้องเชื่อเจ้านี่คน พูดแล้วพูดถึงเห็นไหมโดยพีทธไทยว่าฮักจะชนกันตายแต่ละวันแต่ละวันเกิดขึ้นมาโดยที่ไหนก็ตามแต่วัดตามแต่วัดจะไม่สอนใหน้ญาติโยมทำบุญไม่ได้ทนอีกหรอกแต่พูดตามหลักเหตุผลที่จะไปดูดูมาพระพุทธเจ้เปิดเผยแก่ศาสนาก็สะสมสมุทํมตามคําสอม ไดดูได้รู้ได้เห็นจะแทง์ว่าทาไมตึง ไ, ได้ดูได้รู้ได้เห็นแล้วก็วววววต้องมาบอกที่พักเมืเนก็เห็นบุญหลือยังไงติงจะไม่ไม่บอกยอมทําบุญหรอกทำบุญอาหารใจในตัวของเราคือใจสังขารร่างกายไม่เที่ยงกเกิดเจ้าแก่เจ็บตายเป็นของคุณพ่อคุณแม่ก่อนธาตุความเนี่ยไม่ใช่ของเราอะไรใจออกไปเราเผาติงคือไม่ดีเป็นยังไง เก็บตรงไหนบ้างไปนั่งนิดหน่อยเก็บแป้งเก็บขาไปนั่งก็ไม่ได้นั่งห้อยเท้านั่งข้อเทียบไม่ได้นั่งมน้นนั่งไม่ไม่ได้เห็นไหมบ้างแล้วไปส่งเสริมให้กิเลสทําอะไรก็ทําไม่ได้หมดแหละพรจ้จึงบัญดัตไว้นะเข้าวัดต้องนั่งอย่างนั่นนะ <c oughs> ทา อ, อย่างนั้นต้องทําอย่างนี้มีบอกไปหมดบรรยาการรการะดิ่งนุ่มกระนี้เพื่อบังคับให้กิเลสมันคาย ยึดที่เจญหาทิทิมานักความมันงคิมใจสิทธิ์ก็ทาไม่ได้เพราว่าฉันนั่งไม่ได้นั่งอยู่ในคันได้เหยียดแขนเหยียดขาตรงไหนมีก้อยนั่งตรงไหนทีเนนท่เรียนกุเร็งก็ออกมากมเไิตเรนดา จากกิเลสมีทำตามกิเลสทำตามใจชอบนะน่ะไม่ใช่ไม่ได้ใช่ทําตามทําทําตามใจชอบมันไม่ได้กิเลสมันชอบยังไงมันก็ทําไปที่มันเสียหายอยู่คนในโลกทุกวันเพราะจะทําตามใจชอบหโดยเฉพาเด็กเล็กทุกวันมันมีทําตามใจชอบเพราะพ่อแม่รักมากะพูดไม่ได้รักเหน้ำไข็งในหิน จะว่าทุกวันนี้มันได้อย่างลูกขึ้นไว้อาการมางานเป็นโลกมาบังละแต่จิงคิดเียดทียังมันึ่กบ่ลูกกินนมสัมขวมันง้านขวมันเหี่ยวเลี้ยวขวมันเผาแก่เลีวว่าเข็มแกงตัวเปล่าขวม่กูจ้ำเด้าจําอีกนะอนมมลนลูกกินมันเานกาน ตีตีตีะถ้าลอยผูกแล้วลูกไม่ตีทุกวันตีไม่ได้ถังใ น, นยอะย้ยรัฐบาลอย่านี้แข่งมอเตอร์ไซค์แข่งกันเ ด, กเด็กแว่นเด็กเวิร์ดเด็กแว่นเด็กเอนนอมอกอยู่ที่ไหนเ อ, เอาเอาตั้งกฎหมายลงไปแข่งกันอยางนั้นะ บ้านในเมืองอีก อ, อะไรไปอีกเพราะอ้ไรเราเพราะไม่เอาของไปแก้ปาเหมันจุง้งง น, นัต้นเห็บไมไม่เอาคของของคนเจ้าคำของโบราณรักตัวให้ผูกรักลูกให่ตีหรือไปหาตัวไหนไปพูดอะไรทาไมไม่ดูจุดนี้แบเดีเอ <c oughs> <c oughs> ทำไมตีไม่ตีเอาของแจญ่ตีเอของเล็กๆ็ไม่เดียวจุดนี้ แต่ดีทั้ง ต้อนแขนอูยากแล้วทุกวันเอาอะไรมีล่อมีอะไรใส่เอานั่งจะระเบิดตระับิดไปวางเอาใส่แล้วบบมีล่อให้มันแต่ก่อนทาไม่ได้เล่นเอาล่อให้ใหญ่ขึ้นมาแต่อาวิธีใหญ่ขึ้นมาแบบใหม่ใหขึ้นมาแบบใหม่แบบใหม่แบบใหม่เอาไหนราคาแพนเป็นน้ำเป็นนี่เป็นสินไม่มีก็จําเป็นให้นักตุรนักเตรียมก็ตรงนี้แค่ขึองก็ไม่ เดินแล้ว <c oughs> จกว่าูียนก็อยู่กลตื่นขึ้นมากวาจะทำอไรตทํงงานเสร็จเรียบไรก็วิ่งเอาเขา ไ, ไ้กินใบน้ำอยแรนกินน้ำ <c oughs> ท่านจำหนึ่งอท่านกู้ใบแรนความสลาดอีกเมื่อสายถึงหนกวยานเขาแต่ความตลาดอีกใคร อว่าู่ตีก็หากออาจารย์ไม่ชอบใจไปฟ้องว่าอาจารย์ไม่ดีีเด็กอย่างนนอย่างนี้นผู้ปกครองก็ไปเชื่อเด็กกระตินไปเชื่องบู้บบายน่มันไม่สนุกมันไม่ีมันไม่มีแต่บอกก็ไปไปหน้าหรอกส่าไม่อยู่ในสินทางของ ที่สูง ๆ, ๆเมันเป็นเป็นักาอรจะใครจะนมได้เหรอนาะคุป้าจานกั น, นเดืนบางประเทศกกันไปแล้วกันโอ้ยมันกันไปอย <c oughs> ู่หมูเขาเป็นน้ำแข็งอยู่ไหยมันละลายลงมาจะเป็นยังไงจะไม่ไไ <c oughs> ท่วมได้ยังไงคนแต่เหยที่คนทำไม่ดี น, น, ดนั่นแหละนั่นแหละทินทาให้กลับมาโลกาทิน่า รวเด็นต่อไปไปหน้าเขาพูดเจ้าันพูดไปแล้วทำของเราแต่ละตบัญญัติ 5,000 ปีถึงต่างแค่นี้ก็จะไปอย่างนี้แล้วนะถ้าอีกต่อไปจะเป็นยังไงยังไงเอาไม่อยู่แล้ว <c oughs> อ่านตูดทนายอ่านตูดลมกรุงเทพต่อไปอีกไม่นานพระผงก็ทะเลาะกันเ็นหนึ่งก็เรื่อไปแล้ว <c oughs> เห็นไหมเห็นต่างอันต่างอย่างเวลาสองปรเปส บาลียัดปฏิบัตินะิ่จิตรมาถ้าได้โรกันเดียวกันเขีย่ายเท่ากันนะอเวลาไปถามอ่ะทำไมทำไมไปวัดปะทไมไม่ไปวัดปาทไมถึงนิทไมถืมยไปต่อว่ากันตอไเดียวกันามเหมือนเดียวกัน คงผเหมือนกันมันเหมือนอยู่สิ่งที่เหมือนก็เหมือนสิ่งไม่เหมือนก็ไม่เหมือ น, นะเพราะฉะนั้นคุณเจ้าจึงไม่ให้เชื่อคุณเจ้าบอกไว้แล้วไม่ให้เชื่อครูบาอาจารย์ไม่ให้เชื่อนังสือตำราไม่ให้เชื่อได้ยินแต่เข่าเล่ายู่มาไม่ให้เชื่อที่เข่าวพาทำมานี่ต้องสําคัญนะสีอย่างาาาโดยเฉพาะฆราวาสใดวไม่มีสติปัญญาพระกนเรื่องสอนมันเตะเด็ก่ ช่ล่ะจุดทจุดยานจุดยองรอกกันตรวจน้ําล้วมีฝ่ากันเขาไม่ตรวจน้าเป็นยังไงได้บุญไหมเอาคําบุญะการ้าเป็นโลกเจาพิพ ส, าสวายสวายนี่สวายเจากําแน่เราขอบาไม่ได้ทำควาบุญเลยก็ทาบุญใหม่ตวจน้าจะก่อ น, นหาเรื่องพูดไปครับไม่ได้จุูบจุดยกยน่ยองลอกกัเขาไม่ได้กินโุก คำถามนะจุทูดจุดแกมไม่จุทูดจุดแกนได้ได้บุญเยอะุทูดจุดแกนผิดี่นัยหรือเปล่าไม่จุดทูดจุดแกมผิดพินัยหรือเปล่าตรวจน้ำผิดพินัยหรือเปล่าไม่ตรวจน้ำผิดอะไรหรือเปล่ามีพิพากษาจันท์เลถามเลยถามแต่มหารเขาเขาเขาขอทางงบเนื้อหมาบอกเลยบอกหัเจ้าสอวนจะไหน การทมาเขาไม่จูดเขาก็จิตติดดนดาเขาไม่รู้เขาไม่ทราบจุดให้จิตดาเขาได้กินบ้างนะไปแล้วแต่คนไม่เข้าใจไม่การกองก็ไม่มีปัญญาที่จะเชื่อเขาเชื่อเขาฟัดสอนมาเห็นเต็มไปแล้วไปแอดอกเรืองไปโปรยให้พระธรรมทานเดินเหยียบถ้ากรุงยิปัญญาก็ได้ดูได้รู้ได้เห็นอยู่อีกพวกหนึ่งคนไปบุชาอีกพวกหนึ่งคนไปให้พระเหยียบ มีปัญญาเนียแหละคนถ้าไม่ดูไม่เห็นตรงกล้องอยู่ทำไมเป็นอย่างนั้นจะมีอย่างที่ว่าอะไระโบราณว่าพระนิ่มาาคัดอาหมาถึงกล้องขึ้นตัวนัญญน่นเห็นไหมหรหมายถึงกล้องขาคือไม่รู้ไม่ได้ถึงสาสมะทำบุญพระไม่เน้นทนําบุญทำบุญออาหารใจไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาผู้ที่จะมีคนระครูกคือปัญญาเห็นไหมในคนไทย สนใจมาถือติดติไม่ค่ายเท่าไรไมรู้เป็นอะไรไปหมดตั้งตั้งามไม่ได้ตั้งที่พระเจ้าหามาสอนคนนะถ้าสิ่งที่ทําไม่ได้พระเจ้าไม่ได้สอนถามดูสิถามใ จ, วจเวทีฟอบพระพุทธศาสนาติดโส ม, มนุษย์สบติลาภะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นราภพุทธเจ้าติดฉันพุทธสมุ ป, ป่าดังการได้เกิดเกิดมาพบพระพุทธศาสา ติดขังตัดธรรมัดต่อพลังได้ฟังธรรมคํามสอนสอนของพระเจ้าได้ฟังแล้ได้ทำทำตามแต่แค่ได้ฟังกเฉยๆนะได้ทําตามคําสอนของพระเจ้าอีกเป็นหากเป็นราักทุกสิ่ทุกอย่างแต่ทำไม่ทำตามทีนี่รู้ได้ไหมพู้สนใจพูดดไ้ปฏิบัติไม่เห็นเืปล่าต่พูดที่ไม่ปฏิบัติทำไ้ว่าทําไม่ได้ก็จะไม่เคยดูไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นต่ว่าทำไม่ได้ง่ายจุ ไปนะครูเจ้าหาสินหาธรรมมาสอนคนบ้านมาไม่เช่าเข้าไม่ได้ซื้อฟังดูสิแต่ละวันราคาเท่าไหร่ขน ม, มาให้ราคาเท่าไหร่ที่อยู่อาศัยถ้าไปทํางโลกเขาราคาเท่าไหร่คืนหนึ่งค่นาน้ำค่าไปค่าอาหารค่าที่พักที่นอนนี่ของพรูทีเจ้าเปิดโอกาสเลยใครมีเกียรติศรัทธาอยู่ใต้ าไม่ได้เท่าเขาไม่ได้ตื่นยกเงินแต่พ่อคนจยากจุมเองจะมีกินของฟาดยังไต้องมีเงินต้องมีเงนเดือนต้อ ง, เ ง, องาเงินก่อนเงินพอบันทึกจะบวดไม่พอหรอกที่หรือเราแสีทายหาเงองทาเกินทามีเหลือปัสมัยยังไงก็ทามีทำเกินเลยถ้าปัิบติถึงทามไม่มีคนทาฐานก็ให้รู้ไปเตให้รู้ไปเตะ ดูคำนึงในปฏิปทาของผู้กุศลไปเป็นบาทไม่ไปเป็นเท่าบาทไม่มีผู้บาทเป็คนมาใส่บาทนะเข้าใจไหมทำย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกทุกข์ได้ยากต้งๆๆๆๆองเชืออ่อจุดนี้นะเลย่าวันก็าสอบถามอยู่ที่นี่ถ้าบวชหมดแล้วใครจะใส่บาทใหนพรับ น, น, นั่นบางั่งที่ยังไม่ได้เป็นไปมันเป็นไปไม่ได้ ได้รถไฟได้ยาทุกวัน 2-3 วันมันมาจากไหนไม่มียาได้ไป่หมดมีอะไรเกาไปหมดถอนล่าถอนก้นออกจนหมด 2-3 วันขึ้นมาอีกนะนี่แท้ๆตนนันเองไปไม่ได้สาว่าไปเฉยๆนะถ้าไปบวชแล้วใครจะใส่บาตรในพระนเห็นไหมต้องว่าไปอย่างนั้น เรามีทุกอย่างทุกอย่างนอ ะ, นะถ้าฟอา ร, ร์อเวอ ร, รี่ทำเอาเสียถ้าไม่เกิดอีกคือใน ร, าาร่างจำกรรมไงพระพุทธศาสานาเสื่อมไปเสื่อมไปลองดูติดอีกสิบปีอีกห้าสิบปีลงไปนะตั้งแต่เราเกิดมาเปลี่ยนไปไหมคําสอนของพุณเจ้ายิ่งเหตุการณ์ลอกเกลร่อนเข้าไ ป, ไปก็ยิ่งเสื่อมไปเสื่อมไปนะั่นถิ่นทำให้กลับมาโลกาพินาไม่ทําตามคําสอนของคุณเจ้า ทำมลงไปพัฒนาลงไปแยกลงไปจะจูปะเ ต, ะตยเัินทองเรื <c oughs> ่องนี้จะทำให้คนขี้เกียจส่งเสริมให้เขามีที่ดินส่งเสริมให้มีนาม้ามีท่าให้ใครคนกระยันหน่อยไม่ดีหรือเอาเงินไปแก่คนยากคนจนเอาไปขีดเด้เกียจนั่นเป็นความาแก่ของัว กินมันเจะโดดลงน้าจ๋องไม่อาบอไนไมันก็ออง่ามเอาของงํามคือโลกษะพาโคขึ้นมาตัวตไหนมาจับกินจับกินนี่คือการนี้มันเสียใจเียมันเป็นเจ้าเป็นนายเขาินมับเจ้าก่อนกงจับทีว่าเห็ น, นบ่านอะไร <c oughs> ดีดีดีดงาบาีฟีท้อง ไ, ไปหาเต้าต้อ อยก็จะเป็นหมดวจะต้อ ง, งใครเ ไ, ไปก า, ปก า, ายกกินซะไปขันวันเป็นอีกคือหากาหา ย, ายไ่ดส่มีเงินสือจายมันขออยู่บุบอนั่นใสเนี่เป็นพััล้านหลายล้านหลายล้านาจจ ะ, จะสั่งมาลงจะบานไม่มีเงินจายนเป็นไหมล่ะ ไปโน่นเอกชนหมอดีๆก็ไป่เอกชนเจีร่ยอะไรก็ไม่ขึ้นตบาลที่จะถูกด่าอยงนั้นคนไปโลกไม่หายด่าด่าที่นี่เห็นมเราเลือกใครมาใครแต่งให้เอาเอาเงินมาจากไหนมาแจกใจได้บัตรทองบัตรทองจะสร้างบ้านขอกกหนุนก็ากบางทีอย่ง้บุญัเติหาแลน สารงปัจจุบันนี่าแล้วตัวบาตองเงของกัตรต้นเราไปถังลุงบ่ไปตื่นยังกตื่นัเห็นว่าเรบโเื่องง่ายก่าเพราะฉะนั้นอยากให้แน่นหนักอยู่นี่แหละไม่มีวางเกเรื่องเรื่องของต่อไปป้ายหน้าจีน่าดีๆมั่งคู่จะตะเกีบดีมังคู่หน่อยวังปัจจุบันก็ประาชนเให้มั่หนาเด้ ใจเรารักษาใจเราเหมัอนกันเียบธรรมเอาไม่ใช่จะไปดูมักดูผลดูสวรรค์มิพฉาภพหน้าชาติหน้าดิถ้าดูปัจจุบันก็รู้ปัจจุบันก็เห็นปัจจุบันก็รูปัจจุบันดูบุญดูสวรรค์สวรรค์ในอกในลึกในใจไม่ได้ตายแล้วจึงค่อยไปดูพระเจ้าสอนให้ดูปัจจุบันก็รู้ปัจจุบันดิอย่งเรามาที่นี่เราก็เห็นไม่ใช่ว่าตายแล้วจึงจะมาเห็นมักเห็นผล ทำไมทิ้งคามเบือตท่านอะไรก็ทไม่ได้กิเลสมันไม่ให้ทำทวนไม่เถิดทวนกระแสของกิเลสถ้าไม่ทวนมันก็ไปตามน่ทวนกระแสให้ด้วอทวนกระแสโอเคกันดารมหา ในมหาส ม, มุทคนเราวิ่พอเรือให้ เ, เรือคว้นกระแสไปมันถึงวิ่งมุดหนีจากสมมุติโลกนี่คือสมมุติให้มั่งให้มีให้ร่ำให้รวยให้สวยให้งานเป็นสมมุติถานานจริงๆทําไม่ตายเป็นหรนะใจที่มองไม่เห็นหนุนยงามงามที่ใจใด้ไปหน้าคําของพระเจ้าในจิตใจงามงามอะไร ทางไหนจะรู้ว่างามจริงจะตังรู้จาเพาะตนใครจะไปว่างามหรือไม่งามก็เป็นเรื่องของคนที่รู้แก้เห็นจริงก็คือเราจะตังรู้จาเพาะตนนั่นผูดด้ดูรู้เองเห็นเองก็ดูใหน็นดูพกระเจ้าดูใจของตนเองสอาดดูตัวเขาฟกรู้ไหมล่ะถ้ามีสินมีธรรมมันจะรู้นะถ้าไม่มีสินธรรมมาเป็นเครื่องวัวด่อไปก็ไม่รู้แล้ว อยู่ในกลมรักโลกก็เลยาว่า ด, ดีดีดีฉันร่ำรวยดีฉันสวยงามดี <c oughs> นี่มาเกิดทาไมดีของกูเจ้าตอบได้ไห ม, มาเกิดเป็นยังไงไม่เกิดเป็นไงเอาเข้าสมาธิมันเกิดตรงไหนหรอกดูลงเข้าไปมันเกิดตรงไหนหรอรักมีตรงไหนโลกมีตรงไหนถ้าดูตลอดไปเป็นเลนส์ใอปุปกรณ์ใสเป็นวัตนาเป็นาทีกิดแจกรเบียนแล้ว จำพส่วนคของผู้เจ้าไม่ต้องไปมีใครเสียงนะไม่ต้องมีใครถามรู้อยู่แก่ใจนั่นแหละผู้ดรูรููเองเห็นเอนั่นคาเดียวของพู้เจ้าใครพูดคในโลกโอ้ไม่สิ้นสุดเดียวกันตละกันเนื่องนนเปนี่ล <c oughs> ้วถาพูดเรื่องของผู้เจ้าสินส้นุนะเราทาตามพูเจ้าคาสอนพู้เจ้าองนีวันปฏิญาณนเมื่อกี้ป <c oughs> ีนี้พ่านามา ทีรีบนะกิญจานไปแล้วดยึดจุดนี้ไปแล้วมันก็ต้องไม่มีหมอกอะไรกันแล้วนะถ้าเราไม่กิญจานมัก็สงสัยยึก็ออกไปยก็น่นนี่นหาเรื่องบอกเัเะนะกตัหาตังหาบาแผลถึงมันไม่มีควาอทนไม่ได้ว่าไปบอกแปวกไอัจะไปมันก็ไปถึงมาเจ๊แล้ววมาเจ๊แล้วจรงไบอกกาติโยมถ้าบวไม่ครผมไม่ให้สิน ผมเ ห, เหมือนกันหละจะให้ไม่ว่าจะเลื่อยหวัวใจกันนะคนมันตั้งใจปฏิบัติแทบลงะตายไอ้คนมันมาทำเล่นเหมือนตุ๊กตาสิเข <laughs> าศาสนาตั้งใจของทาเล่นเดี๋ยวเห็นริ่งพ่นริรงหนีอะไริ่งนี้นะงั้นคนจะเอาของให้ทาไมล่ะมาทำแด้เล่นไม่ได้เยีาา่ยมสอดาบอกว่ามีเบียก์ีงานพวกมอโรนอกกินอน่ะ เราไปเรเาไม่กระเทือนนะตะกิแ้แล้วนะหนักหนานมานันคงว่าไม่ทีเ่เจ็บกว่าไปสิ <c oughs> ใจของเรารมี็ความมุ่งมั่นในความบริสุทธิ์ในความหนีจากเกิดแก่เกิดตายทำไปเถอะ ใช่ตรงนั Merci.